ขอความเจริญในธรรมจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวพระพุทธญาณได้นำเสนอการบำเพ็ญตบะของพระโพธิสัตว์ในขณะที่แสวงหาทางจัดสรุอยู่เกือตามปกติแล้วเรื่องนี้เราไม่ค่อยนำมาพูดกันเกือเราพูดเฉพาะที่ทรงสรุปนะฮะเกือมาเองยังมองว่าเป็นการปฏิรูป คือปนกันหลายวิธีแล้วก็มาอยู่ในวิธีเดียวกันแต่เราก็พูดถึงการบําเพ็ญทุกขละกิยาสามวาระแต่ว่าเมื่อเรามาดูในมหาเสียนาเตศูตรในมัชฌิมานิกายมูลปณาฏเนี่ยมันเยอะเลยวันก่อนก็ได้พูดถึงการบําเพ็ญตบะ ท, ที่เหนือกว่าผู้บําเพ็ญตบะ ท, ทั้งหลาย เราจะเห็นความกระสับกระส่ายทุกเวทนาความเหนยยากแสนสาหัสแทบจะเอาชีวิตไม่รอดของพระโพธิสัตรก่อนที่จะสัจรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทาให้เราเห็นว่าธรรมะนั้นเป็นสมบัติที่าศาสดาได้ทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจนะจนได้มาเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะเหลือเกิน เพราะตรงนี้จึงเป็นคุณอุปการอย่างหนึ่งนมันไม่ใช่ว่าไร้สาระไปเลยเพราะว่าเวลาพระองค์จัดสรุแล้วเนี่ยไปอธิบายชี้แจงคัดค้านปฏิวัติปฏิรูปความเชื่อที่มีอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยทำได้สนิทเพราะไม่ใช่ทำจากความคิดนึกเดาเอาแต่ว่าทำไปจากสัมผัสตรงของโปร่งเองที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติ สัมผัสเองตลอดมันเป็นภาวะผู้นำที่ยิ่งใหญ่คือหมายความว่าปฏินำด้วยการปฏิบัติอย่างที่บอกไว้หลายวันแล้วนะว่าลักษณะของพระโพธิสัตว์เนี่ยจุดเด่นที่เราน่าจะยึดถือคือของเราค่อนข้างสลับหัวสลับหางคือจะคิดแล้วก็พิสูจน์ทดสอบในทฤษฎีที่ตนคิดจะไม่พูด จนกว่าจะลงตัวแล้วเมื่อพูดเนี่ยคือความถูกต้องที่ผ่านกระบวนการคิดแล้วก็ทดสอบลองผิดลองถูกประพฤติปฏิบัติมาจนถึงสัมผัสจุดที่ถูกต้องแล้วไปเสดจุดที่ไม่ถูกต้องโดยผ่านการพิสูจน์ทดสอบด้วยตนเองมาก่อนนะเพราะฉนั mm hmm. ้นกระบวนการความคิดแบบโพติสัตย์เนะีคือคิดแล้วก็ทําแล้วก็พูดสิ่งที่ทรงพูดนั้นตรงกับสิ่งที่ทรงทําแล้วก็ยุติกระสิ่งที่ทรงคิด คือมันผิดภาษาบรรชนสามับร ช, ชนนั้นจะคิดแล้วก็พูดแต่คิดแล้วก็ทําบางทีไสิ่งที่เราคิดมันเป็นเพียงความฝันเป็นจินตนาการไม่มาสามารถสําเร็จเป็นรูปธรรมได้แต่เราพูดแล้วอคุยโมโ อ, อวดหาคะแนนใส่ตัวเองกันแล้วทําได้หรือไม่ได้นะยังไม่รู้เลยแต่ว่าพูดไปแล้วก็ได้คะแนนไปแล้วแล้วก็สังคมเองก็นิยมอย่างนั้น ที่แสดงวิสัยทัศน์อะไรเนี่ยก็บอกแสดงวิสัยทัศน์กันเวลาเนี้ยออกเ็นแคนจนคิดจนเป็นภาษาที่ถึงจุดหนึ่งมันจะหากรอบไม่ได้เพราะเราพูด ก, กันจนเละหมดเลยว่ากรอบจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที น, นี้อีจุดหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องการความเป็นความได้ความมีความเป็น ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นนะเพราะเรามีโลภเรามีราคะเรามีโมหะทีนี้ถ้าใครจะขัดขวางไม่ให้เราได้ไม่เรามีไม่เราเป็นเราจะเกิดโกรธัตวใครส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ให้เรามีให้เราเป็นในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเราก็พอใจในคนเหล่านะั้นแต่ว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อาศัยปจัจจัยภายนอก พระพุทธเจ้าก็ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นจะต้องการเป็นพระพุทธเจ้าต้องการได้ทางดำเนินไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องการมีคุณธรรมเหล่านั้นแต่ก็มีการตรวจสอบพระองค์ด้วยการทำสิ่งที่ยังไม่มีให้มี ร้อนการเป็นของพระองค์การได้การมีการเป็นของพระองค์มันก็ต้องดูว่าพระองค์มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การได้การมีการเป็นหรือไม่แต่ยังไม่มีคุณสมบัติก็ทำให้มีซะก่อนทำให้คุณสมบัติมันมีคุณสมบัติเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมันเกิดขึ้นซะก่อนแล้วเมื่อคุณสมบัติเหล่านั้นสมบูรณ์การได้การมีการเป็นก็เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับผลไม้ต้นไม้ถึงคราวออกผลมันก็ออกผล แต่เราก็มีหน้าที่ในการปลูกต้นไม้ในการใส่ปุ๋ยรดน้ำพลนดินดูแลกาจัดวัชพืชต่างๆแต่ไม่ถึงจุดที่ต้นไม้จะออกดอกออกผลมันไม่ออกหรอกพอถึงคราวมันก็ออกให้วัในี้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็กลายเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ตรงตามพระพุทธเจ้าก็าเราอยากเป็นน่นะเราลองสังเกตว่าคนไม่อยากเป็นกันจรงเลยแลเป็นแล้วก็รู้สึกเสียดายนะ ว่าคนโง่อย่างนี้ยังมาเป็นตรงนี้ได้แต่บ้านเมืองมันสูญเสียเพราะความอยากเป็นของคนโง่บางคนแต่คนโง่บางคนก็ขยันที่ด้วยไม่ได้ตรวจสอบถึงว่าตรงเนี้ยมันต้องมีความรู้อย่างไงความคิดอย่างไงความสามารถอย่างไงคุณธรรมอย่างไงจึงจะเป็นได้เป็นดีแล้วก็เป็นเป็นโดยไม่ยึดติดอยู่ที่ความเป็นทําให้เกิด ภาพอย่างหนึ่งที่วันกรอนมีหมอคนหนึ่งเขาพูดบอกเมืองไทยเนี่คนดีเยอะแบบก็ใช่คนดีเยอะไปแต่ว่าคนดีมันท้อถอยก็หมดกำลังใจแต่พอถึงจุดนั้นก็แสดงว่าท่านไม่ดีเพราะถ้า ด, ดีต้องไม่ไปท้อถอยต้องไม่หวาดกลัวต้องไม่หวัวหว่นไหวต่ออุปสรรคอันตรายทั้งหลาย ต้องไม่ลู่ไปตามกระแสของสังคมกระแสของอารมณ์มันยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องจึงก็หมายความว่าเมื่อถึงจุดที่ถูกต้องเนี่ยใครจะชอบหรือไม่ชอบนี้คือความถูกต้องก็เราบอกว่าตรงเนี้ยสมมติจะวัดตรงเนี้ยมันมีไม้บรรทัดเราวัดโครงลงไปเราบอกว่าสิบนิ้วใครปฏิเสธก็ปฏิเสธไป แต่ว่าคุณเอาไม้บรรทัดมาวัดวคุณจะได้ยุติไม้บรรทัดของคุณต้องไม่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นไม้บรรทัดมาตรฐาสนสากลนะไม่ว่าจะเอาอะไรมาวัดก็วัดเอาได้เนหลงการตรงนี้มันเป็นธรรมะที่เป็นรู ป, ปรธรรมที่มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าของเราตรงนี้ที่จริงเนี่ยคืออะไรคือมันมีการนําเสนอว่าคนสามารถได้สามารถมีสามารถเป็นเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดด้วยการได้บัตรอย่างนี้ ถ้าพระองค์จะไม่ปฏิบัติได้ไหมก็ได้คะแต่ปัญหาว่าเวลาสอนเนี่ยมันจะสอนลําบากคือถ้าไม่สอนคนจุดหนึ่งก็จมปลักอยู่ไม่ได้ชี้อบอกแกคนที่หลงทางเพรการทํางานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองวิธีในชีมืตมันต้องขจัดทําลายสิ่งที่เป็นปนัญหาอุปสรรคให้ด้วย หรืออย่างอย่างเนี้ยหลักหลักการอย่างหนึ่งในการบริหารปันมือในสมัยนู้นโบราณมากนะก่อนพระเจ้ากาลาอโอกาก า, การามันมีระบบที่เราเรียกว่ามาหยันหรือราชสังฆะต่อมาก็เรียกว่าราชสังฆะที่จริงมันมีอยู่ห้าประการ แล้วก็มาเองอยังสงสัยอยาญทุกอันเนี่ยมันประการที่ห้ามันหายเป็นไหนแต่เราเนื้อนึกไม่ออกว่าทำไมจะต้องทิ้งเพราะถ้าเราดูแล้วมันเป็นเนื้อหาหลักมากประการแรกก็คือปุริสเมทะคือฉลาดในการบริหารคนในการใช้คนในการมอบหมายคนในการปกครองคนในการรักษาน้าใจของคนเอกภาพ ทางความคิดกิจกรรมผลประโยชน์ของสังคมเอาไว้แล้วก็ศักดิสเมตะมีความเฉลียวฉลาดในการส่งเสริม ง, งานอาชีพของอาณาประชารัฐดรแล้วแต่ในสายเรื่องอะไรก็อย่างนี้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าผลไม้เนี่ยผลไม้พืชไร่พืชสวนพืชนาพืชอะไรก็ตามนะครับใามีปัญหาเช่นสมมติว่า มนาวบางทีก็ล้นตลาดอา่าวลาไยล้นตลาดสับประรดล้นตลาดแล้วมาเทกองข้างถนนสัมแดงอิทธิฤทธิอิทธิเดช อ, ดดอรกันก็ไม่รูแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนพอมีคนเดือดร้อนน้อยแล้วต้องลาคนอื่นมาเดือดร้อนกันให้มันไปได้อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ที่จริงเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขปัญหา ง, ง่ายๆ มันประสานด้วยทางผู้ว่าต่างๆสมมติว่าลำไยทางภาคเหนือราคาถูกเนี่ยโยกไปลงภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเลยให้มันไหลไปเสียไหลก็กระจายนะพอกระจายเนี่ยมันมันมาไม่มากเนี่ยเป็นความต้องการอย่างสูงอยู่ราคามันก็ขึ้นตลาดของเราไม่ใช่เล็กๆกันนะประเทศไทยเราช่วยกันนะช่วยกันก็ช่วยกันช่วยเหลือแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าในแต่ละปี มันทําอะไรได้เยอะเลยนะเราไม่ต้องลงทุนลงแรงมากรัฐจะสนับสนุนไม่ต้องเล่นเป็นหมื่นหมืนล้านก็เรียกว่าสักไม่กี่ล้านนะฮะ ส, ส่งส่งเสริมด้วยรถรอสอพอเช่ารถอะไรอะไรเนี่ยหรือว่าขอรถทหารเนี่ยเข้าไปบริการส่งเสริมค่าเบี้ยเลี้ยงค่าน้ํามันเขาเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะ่ะลูกเล่นเนี่ยต่างๆมันทำได้อีกเยอะเลยโดยไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรมาก นั่นคืออะไรก็คือว่าระบบของความรู้ของความคิดของความสามารถของคุณธรรมที่เหมาะสมแก่การเป็นเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างขึ้นแต่ว่าก็พยายามที่จะเป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเนี่ยมันเป็นการตอบสนองตัญหาซึ่งมีเชื่ออยู่เยอะแล้วมันเป็นภาวะตัญหาแล้วมีเชื่อภาวะตัญหาอยู่เยอะแล้วพอได้เป็นก็ชอบแต่จะเป็นแล้วทําเป็นหรือเปล่า ทำได้หรือเปล่าทำดีหรือเปล่าทำเป็นหรือเปล่าแล้วทำเป็นเนี่ยมีคนทำเป็นกว่าหรือเปล่าในขณะที่มีคนทำเป็นกว่ามีคนทำเป็นที่สุดหรือเปล่าแล้วก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ทำในเรื่องที่เราถนัดเรื่อปัญหามากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะแบบตรงนี้จะเป็นแบบที่เป็นมาตรฐานมากระบบการคิดซึ่งเราอาจจะพูดด้วยภาษาปัจจุบันิเนี้คือวิสัยทัศน์ของคนระดับโพธิสัตว์มันไม่ใช่ขอฉันเป็นนะ แต่ว่าคุณพร้อมขนาดไหนในขณะที่คุณคิดว่าคุณพร้อม ม, มีคนพร้อมกว่าคุณหรือเปล่ามันก็ต้องมองกันหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนด้วยกันนี่ประการต่อไปก็อยากจะให้มามองในข้อต่อไปที่รับสั่งว่าการประพฤติวัดปฏิบัติที่เศร้ามองรับสั่งว่าลูกอรสาริบุตรบรรดาพรหมจันยร์มีองค์สี่นั้น พระมรดชนี้เป็นวัดในความประพฤติเศร้าหมองของเรามณทินคือทุลีละอองสั่งสมในกายเรานับด้วยปีไม่ใช่น้อยเป็นจนเป็นสะเก็ดเปรียบเหมือนตอตะโกมีทุลีละอองสั่งสมนับด้วยปีไม่ใช่น้อยจนเกิดเป็นสะเก็ดชันใดมณทินคือทุลีละอองสั่งสมในภายในเรานับด้วยปีพิเศษน้อยจนเกิดเป็นสะเก็ดฉะ น, นั้นเหมือนกัน ทุกคนสารีบุตรเราไม่ได้คิดที่จะลูบครามปัดละอองทุลีด้วยฝ่ามือทุกคนสารีบุตรด้วยความคิดอย่างนี้ไม่ได้มีแก่เราเลยทุกอนสารีบุตรนี้แหละเป็นวัดในการปฏิบัติเศร้าหมองของเราเพื่อเะเห็นว่าวัดแนวนี้เขาถือว่าคนให้เศร้าหมองมากๆนะถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นอิสระ แต่สิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นทรมานร่างกายโดวยวิธีที่ทํากายเศร้าหมองคือคือหมายความว่าน้ําทาไม่อาบไม่แตะต้องฝุ่นละอองทุลีติดปกติดไปเลยแล้วก็เป็นสเก็ดทีนี้มันไม่ได้เปลี่ยเฉพาะภายนอกมันเป็นเข้าไปถึงภายในมันเกิดสเก็ดขึ้นมาในภายในนะความบื่ายความขัดข้องบรรดากิเลส ท, ทั้งหลายที่เคยสยบไว้ด้วยกําลังแข่งชาญสมัยที่ศึกษาอยู่ในสํานักอาจารย์ทั้งสองก็ฟูขึ้นมาด้วย มันเกิดสเก็ดซ้อนสเก็ดคือสเก็ดภายในเนี่ยมีปัญหามากกว่า ส, เ ก, ากสเก็ดภายนอกนะสเก็ดภายนอกเนีกระโดดลงไปในน้ําอาบสักพักหนึ่งสูบขัดสีชวีวันพักเดียวก็หายแล้แต่สเก็ดภายในมันเป็นการสะสมที่เรียกว่าสะสมสั่งสมทับถมลงไปเรื่อยกลายเป็นปัญหาที่ ทรมานพวาประการแต่นี่คือความเชื่อแบบทุกขรกิริยาเนะแล้วก็ถือว่าทาอย่างนี้คนกลุ่มหนึ่งก็จะให้ความเคารพนับถือก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วมันแปลกคือคือจะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่อินเดียนะฮะมันไม่ใช่ว่าอินเดียต่นั้นแปลกแต่คนไทยคนขวล่งก็เถอะใครอะไรที่ไหนก็ตามที่มันแปลกพึ่งชงมนอจจจัศจรรย์ไม่เข้าใจนะคนก็กล่าวไปก่อนละ ุูกแมวตามปกติมันสี่ขาใครเกิดมาห้าขาก็กล่าวไปก่อนละลูกแมวมันหัวเดียวเกิดสองหัวก็กล่าวไปก่อนละนะงูมีหนึ่งหางงูเกิดสองหางขึ้นมาก็กล่าวไปก่อนเห็นไหมคนนี้คนโลกมันฉงนการกระทําของมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเห็นโลกมันฉงนแล้วเนี่ยคนนี้จะมีคนนับถือจะบ้าบอยยังไงก็ตาม จิมโจนแห่งการนาย่าก็ดีรัฐที่บรก่อนที่แอฟริกาที่เอาพวกตัวเองมาดูช่วงแรกนี่โอ้ปฏิบัติมันเยี่ยมมากเลยอะไรคือหนี้สินต่างๆนี่ชำระหมดแล้วก็เสียสละทรัพย์สินเงินทองมาอยู่ด้วยความสงบปลีกวิเวกนะครับมันดีเหลือเกินคนทายฆ่ากันตายฆ่าตัวตายนะถ้าทางฆ่าตัวตา ย, นะาาตตายแต่มันน่าจะคนอื่นฆ่าพอดูแล้วมันมีผ้าห่อศพอะไรเรียบร้อย ตายกันเนยอะแยะไปหมดความคิดนี้ไม่เคยหายไปจากโลกนะไม่เคยหายไปจากโลกแต่เรานึกได้หรือเปล่าถามดันเองว่านี้คืออย่างนั้นหมายความว่าอะไรก็ตามที่โลกมันโฉนแล้วคนก็จะให้ความเคารพนับถืออย่างเวเนี้ยมีอะไรล่ะตั้งตัวเป็นอนุตตราจารย์เป็นผู้หญิงมาจากต่างประเทศเป็นเจ้าแม่เป็นร่างทรงเป็นอะไ ร, ต, รต่างๆหากินกระจายอยู่ในบ้านในเมืองนี่เยอะแยะ แล้วก็เอาข้าราชการผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตของเราเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังมีภาพถ่ายบ้างถ่ายคู่กันบ้างมีภาพถ่ายไปติดไว้บ้างหรือชวนพันยาไปบ้างหรือตัวผู้ใหญ่ั้านไปเองบ้างแล้วก็เป็นแบ็กให้แล้วบ้านเมืองเราไปเช็คเธอตั้งแต่ไหนแต่ไรมมีตัวข้าราชการผู้ใหญ่ไปเป็นแบ็กอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นยายชีเมียนไม่ว่าจะเป็นสันติอสุขไม่ว่าจะเป็นหุภาสวรรค์อะไรก็ตามนายพลเป็นกระตักเลยนะบางทีหุภาสว ร, รันเนี่ยนายพลเยอะเลยนี่คืออะไรอ่ะเป็นความคิดทางศาสนาหมาแล้วตานท่านท่านบุญนัง ท, ท, ท่านเก่งในเรื่องอื่นจริงเขไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องศาสนามันเป็นโลกอีกโลกหนึง่งเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่มีความลึกลับสลับซับซ้อนด้วยตัวของมันเอง เพราะคนเมื่อไม่สัมผัสมันก็กลายเป็นเรื่องพิเศษคือทึ่ ง, งจงหนอศจริยแล้วก็เกิดความเคารพจำเกรงขึ้นพราะค น, คนมาเห็นตรงนี้ยคนกลุ่มหนึ่งอาจจะรู้สึกรังเกียจเพราะเขรู้อะไรเป็นอะไรแต่ว่าคนในกลุ่มหนึ่งเมื่อเห็นโอ้โหท่านยิ่งใหญ่จริงๆท่านเสียสละจริงจริงท่านไม่ยินดียินร่ายจริงๆนะยกยกตัวอย่างอย่างนี้ว่านักบวชพวกประเภทอาเจรกเนะี่ยพวกอาชีวกทั้งหลายเนี่ยพวกพวกเอ่า เขเรียกอัญญาเดียถีทั้งหลายเนี่ยพวกมีนิคนนิครนนิคันถีนิคันถีก็คือคือชีปเปลยผู้หญิง น, นิคนก็คือชีปเปลยผู้ชายผู้สาสนิของขาวเนี่ยมาลูกครามอวัยวะของของอาจารย์เนี่ยยกขึ้นทาหัวเลยนะเคารพนับถือเทุูนแล้วก็ไม่ทำทาด้วยความองอาจด้วยความสนิทใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเลย เป็นเรื่องที่เราเราต้องยอมบับแหลกแต่ว่ามันก็ไปนจู่จิเนียวทางใจเขาได้แล้วเขาก็เข้าใจวันนี้คือทางของความบริสุทธิ์มันไม่ใช่เหตุผลแต่มาเป็นเรื่องของความเชื่อถือแต่ว่าพระโพธิสัตว์ของเรานั้นท่านในยึดติดนะฮะแต่ท่านต้องพิสูจน์ให้ดูว่าที่เธอบอกว่าเธอประพฤติดดบาดในชั้นก็ประพฤติเหนือกว่าเธอในจุดเดียวกัน นะเธอทำเศร้าหมองสุดๆเนี่ยฉันก็เศร้าหมองได้มากกว่าเธอแต่ไม่ใช่ทางจัตสรุเพรา ะ, ะเราลองสังเกตนะว่าตอนสุดท้ายตอนปฐมเทศนาเนี่ยพวกนี้กลับไปกลายเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะของพระองค์จึงเห็นเป็นกระบวนการในการทํางานของพระพุทธเจ้าที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์คือมีกระบวนการเป็นวิทยาศาสตร์มีหลักการวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์พูดอย่างนั้นกระบวนการเองก็เป็นวิทยาศาสตร์ เด้วเหนือวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์จะงม ง, งายอยู่เยอะเหมือนกันข้อต่อไปก็รับสั่งว่าสารีบุตรบรรดาพรหมจรรันทร์มีองค์สี่เหล่านั้นพรมจันท ร, ร์นี้เป็นวัดในความประพฤติเกลียดบาปของเราคือกลัวบาปบาปเหลือเกินนะเป็นอะไรล่ะเป็นกระแสความคิดใน ลัที่ของท่านนิโรจนะ์น่ะคือหมายความว่าไอ้ปลาเนี่ยมันมีอยู่ทุกคหนทุกแข่งจะเหยียบก็มีสิ่งมีชีวิตจะหายใจก็สิ่งมีชีวิตจะดื่มน้ำก็สิ่งมีชีวิตจะลืมตาก็สิ่งมีชีวิตจะเดินไปเนี่ยก็สิ่งมีชีวิตโอ้มันเยอะมันปลามันเยอะเหลือเกินเพราะนท่านจึงต้มน้ำปฏิเสธน้ำดื่มนะฮแล้วก็ดื่มจะพาน้าร้อน เวลาจะเดินไปไหนเนี่ยต้องเอาไม้กวาดกวาดไปข้างหน้าแล้วผ้าปิดปากปิดจมูกโบยสงสารสิ่งมีชีวิตกลัวจะเข้าไปแลวจะตายแล้วท่านคิดตลกนะแล้วก็ท่านท่านมองท่านมุมเดียวแต่นั่นเองเพราะงั้นรอประวับบติศาสตร์ของเราเองก็ไปปฏิบัติอย่างนั้นก็เขาด้วยแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้รู้เห็นเรงความจริง กระบวนการตรงนี้เราเราได้หลักอย่างหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าเวลาเนี้ยที่เราเขือวิทยาศาสตร์ที่พูดอะไรกันเนี่ยวิทยาศาสตร์เก่งอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้แต่ยิงกระบวนการคิดเนี่ยเราไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะเราไม่ได้พิสูจน์ทดสอบตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์อย่างพวกครูบาอาจารย์ตามมาวิยาลัยต่งตางๆเนี่ยเป็นผู้นำในการไปเสด็จกฎกรรมและกฎแห่งกรรมและสังสารวัฏเนะี่ยเยอะเหลือเกิน และถามไมาเคยพิสูจน์ทดสอบหรือเปล่าเพราะกรรมประสังสารวัตมันเป็นผลความรู้ระดับยานแต่เรามียานตรงนี้หรือเปล่าและปฏิเสธกันน่าเชยตาเชยเอาแหละคนไปบูชาพระราหูเราก็ด่าเขางมงายไร้สาระไม่มีเหตุผลเรารู้ได้ยังไงที่เราจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีโอกาสทำบุญเขาแหละเก็ได้ให้ทานเขาได้รักษาศีลเขาได้ทาจิตใจสงบได้ว่าพระสูตรมน เขาไม่ประพฤติบาปเขาไม่ทำบาปเขาไม่คิดบาปเขาไม่พูดบาปแต่เราก็ด่าเขาแล้วเราด่านในบาปแงเลยนะเป็นอกุศลกรรมบทจิตประการนะฮะในข้อที่ที่ที่ที่หลที่เจ็ดที่หกคือกล่าวคำหยาบมันก็แสดงให้เห็นว่าเราปฏิเสธโดยไม่รู้ปฏิเสธอะไร ไม่เสด็จไปได้อะไรแล้วก็ยืนยันเนี่ยยืนยันเรื่องอะไรยืนยันไปแล้วอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้ผ่านไม่ได้พิสูจน์ทดสอบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทําอย่างนั้นนั่นคือวิธีการแบบวิทยาศาสตร์และนี่เรื่องใหญ่นะดูแล้วคล้ายๆจะไม่ใหญ่เลยแต่ถ้าเรามองทะลุผ่านตรงนี้ไปดูนะจะเห็นนี่คือกระบวนการคือหลักการคือวิธีการคือกระบวนการแล้วคือปฏิบัติการแล้วมาจบลงด้วย รับรองหรือปฏิเสธมันเหมือนอะไระมันเหมือนเขาบอกว่ายาขนาด น, นี้เครื่องปรุงอะไรนั้นอนนั้นนั้นตอนนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นแล้วก็บริโภคอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะเห็นผลเมื่อเวลาผ่านไปทน น, ทนั้นทนนั้นตอนนั้นนั่นคือมันมีหลักการมันมีวิธีการมันมีกระบวนการแล้วก็มีปฏิบัติการต้องตรงตามนั้นนะพอถึงจุดที่ครบกระบวนการแล้วก็ยืนยันใดปฏิเสธ แต่เวลาเนี้ยเราปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไม่รู้มันเป็นอะไ ร, ไ ร, ะไรก็ยังนึกถึงคราวหนึ่งนี่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านก็ถามว่าไอ้คัพิเมตเนี่ยพระฉันตอบเด็ดได้ไหมท่านบอกฉันไม่ได้ว่าไปแล้วก็ล่านิทานไปให้ไปลงมาถึงก็มานั่งกลายกับต่อมากรารทถามไอ้คัพิเมตเนี่ยอะไรมองเอ้าแล้วไปปฏิเสธว่าฉันไม่ได้อย่างไงท่านไม่รู้มันคืออะไรไอันนี้คื อ, ค, อคือเรามีนักวิะชาการเราเวียนนี้เยอะเลยนะ พระก็มีคาระวะก็มีแต่ถ้าดูว่าแบบพุทธจรรยญาเป็นอย่างนี้ไม่ปฏิเสธเมื่อพิสูจน์ทดสอบตามหลักการวิธีการในเรื่องนั้นๆมาก่อนแล้วจึงปฏิเสธหรือยยืนยันตามสมควรแก่สิ่งที่ส่งสัมผัสมาแล้วก็ไปเสร็จพิสูจน์ทดสอบเหนือกว่าการพิสูจน์ทดสอบของเจ้าของทฤษฎีวิช า, ารณาเราดันั้นนี่คือรูปแบบ ที่เป็นหลักการซึ่งถูกต้องที่สุดในการยินยั น, นหรือในการปิดเสษของคนที่มีเหตุผลทั้งหลายในโลกนี้แล้่คงฟังทั้หลายแต่รูประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพ็นงเท่ น, นี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี